ขอบรรดาท่านทัน้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าสักนิดหนึ่งบางทีจะเป็นหน้หนาของฮัตเศสเพราะว่ามีข้าบโบทใหม่เข้ามาด้วยเป็นนั้นว่าการเจริญพรรกมาฐานทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เขา้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อยาสัจจะว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่สุดสมณี น, นที่หมดในพระพุทธศาสนายาศัจจะว่าบวชเพรว่าข้าศัจจะว่าบวชใม่ก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน ไม่พออย่างยิ่งบีสุสมณ ใ, ใหม่หรือเก่าเก่าก็ไม่แน่นะก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นนาหาเรปฏิปูรสัญญาเช่ก่อนข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นนาหาเรปฏิปูระสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการที่เจะนาเป็นอาหาริปิโกระสัญญาในก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉนอาหารจงอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสําคัญอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอย่าติดในกลิ่นแล้วการฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพอความอ้วนปีของไซ เราจะกินอาหารดีเป็นปัจจัยใ้เกิดกิเลสจงพิจารณาว่าการฉันหายคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นแต่การชีวิตที่ทรงอยู่นี้เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่น มีปรัชนาญาณแจ่มใสแล้นได้บอกแอลนีต้ตั้งพระเทียรเหลียวจัดจสิกุบเนี้เลยฮะไอเดียวิเดยวสิกุบเนี้เป็นเรื่องการฉันอาหารนี่ยายาชีรสเป็นสำคัญนะที่สูงใหม่ระวังดี ตอนที่ฉันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นเลือดคนดีเป็นเลือดใส่คนดีมีพื้นฐานมาจากความสุขภพโลกและร่างกายเราทั้งร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสุขภพโลกเมื่อเรากินของสุขรกเข้าไปร่างกายของเราก็าสกขรก รวมความร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีเป็มบริการสกปรกไม่เก้อสะอาดอันนี้การพิจารณาอาหารในปริโกสัญญาเน่ยเป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ได้ว่าพระทุกองค์เนนทุกอง์ทํำไมพิจารณากรกินเข้าไปโตกนรกกันแน่ก็รวมความว่าอย่าลืมเนลาชันอาหาร ด้วรการนีสองเวลาที่จะเดินไปเดินมาแลวเดินเบบับาทห้เดิ น, นี่ฟางสํารวมไอชอดสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากเท้ า, าไปไประมาณสี่ศอกมันจะเห็นคนดีคือเห็นไกลพอสมควครไกลพอสมควรไม่เดียวหน้าเลีย ว, ายว้ายแลกฟวา แนตัวเวลารับเกิดติ้บแต่การใช้รับในความเคารพในการสํารวมอย่าทิ้งคอยตราะว่ที่ใส่เระหว่าจะไมาใช้ถ้ายังรันิสัยเคราะห์ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสียนี่ฉะนั้นก็จะต้องนรกไปเพราะเป็นการทําลายตัวศาสนาในรายการอีกประการหนึ่งที่สมใหม่ที่เข้ามาใหม่ต้องทราบ ว่าชีวิตนี้ก็าห้ามเขาเข้าไปคุยห้องของคนอืนะ่นระเบียบก็รู้กันแล้วอย่าฝ่าผืนถ้าเราคิดว่าหมดทนไม่ไหวก็สิกไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักพับศาสนาเป็นอ น, นว่าการบวชเราบวชเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวชเพื่อตามประตนนินิยม ที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามกระเพรนีนิยมเพราะการบวชตามกระเพณนีนิยมนี้คือการบวชเพื่อทําทลายพระศาสนาฉะนั้นถ้าจะชั่วก็ไปชั่วในฐานะเป็นเทววัตยาว่ากาสาวัดของพระเจ้าไปชั่วด้วยต่อไปก็ขอทุกท่านตอนจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี้ ก็ควรจะฝึกกรรมฐานให้ได้กันไมยมะคนอืน่นคนอื่นที่เข้ามาในคาําดีบางทีเข้มาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มโนยิคิซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญถ้าบทที่นี่้เราว่าเป็นชนะ ก, กรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านให้บทอยู่ที่สองสามเดือนไม่ได้ แต่ชาว บ, บ้ายก็ามาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตข่ เ, เราดูว่าเรามันดีว่าเรามันชั่วนี่ขอทุกองค์จงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการศีลบริสุทธิ์สมาธิตามันวิบัตสนา่างแจ่มใส นี่เป็นหลักการพนักกานบทตทั้งหมดพนักการบุทั้งหมดถ้าขาดบทต้องอย่างใดอย่างหนึมันหมายถึงว่าอบาอภรมเป็นที่ไปทีนี้ต่อไปก็จะขอผู้ทั้งแนวทารปฏิบัติโดาอยพาะขั้นผู้เก่าผู้ดีผู้ใหม่ผู้ดีการที่ปฏิบัติธรรมฐานนี่มันมีอุปสรรค คำว่าอุเสกษ์จะหมายความว่าถ้าจิตเราไม่เข้าทิ้ฌานจิตเป็นกรรยากรเข้าสู่ความเป็นฌานนิวนรณ์มเดรกคุณบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมาตอนี้เมื่อจิตของเราเข้าทิ้งสู่ทิ้งชานละเอียดสมมติว่าทุกท่านได้พิเตอร์ได้มนโนยิธิ ทุกท่านที่ได้มโนยิธินี้เขาถือว่าเป็นชาละเอียดชาที่พึ่งได้คือการเคลื่อนไปก็คือชาสีชาสีมีสองระดับหยาบกับละเอียดถ้าละเอียดก็หมายความว่าการเคลื่อนไปมีการคล่องตัวดีวันนั้นเป็นชาสีละเอียดถ้าวันไหนมันฝืดวันนั้นก็เป็นชาสีหยา ถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไปเราไม่ไปเราทำยังไงเราก็นั่งพิจรารณาตัดกันห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคร่องในมไหนก็ตัดแต่รมนั้น ถ้าใจกันห้าไปไมีไว้ก็จับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็พาวนาไปเฉยๆทำจิต ส, สุขสันต์สบา ย, บายที่ว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีประเดี๋ยวก็ไปอันนี้เป็นการแก้นะแก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิทธิได้ก่องตัว แต่บางวันไม่เกิดไม่กลองขึ้นมาการไม่กล้อเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจานนาว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนที่เราจะทํามันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคําสอนพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุตตเ จ, จ้ารย์ถ้ารู้ว่าไม่ขัดก็หาทางตัดไปการพิจารณาแต่กันห้า ไอ้ชาทานที่ดีถ้าวันไหนมันไม่กล้องถ้าวันไหนกล้องดีก็เริ่มปับ๊บจิตก็เคลื่อนทุกทันทีนี่ราป่อยวันนั้นเป็นวันชาละเอียดดีเรื่องสีดีถ้าสมาธิดีถ้าปัญญาแต่วันวันจับธรรันตื้อธรรตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตจิตนพยายามคิดจะใช้ปรสนา ย, ายคือตัดสันห้าก็ตัดสันห้า อ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันอ้าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแลกกวนน้วก็ภาวนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดหมายความให้รักษาอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่คิดอะไรทกอย่างนี่จุดหนึ่งนะนี่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลที่สุด คือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็โดนมาแล้วตรงนั้นนั่งก็คือไอรีนข่าตัวแบบนั้นทิเขา้เาเขาออกก็ออกไปนี่มันแรงเขา้าคือว่ามันมีอารมณ์นหนึ่งคือแบบอารงของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจจะเมื่อทุกท่านอาจจะโดนระหว่างท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมเบื่อพิเศษ คือว่าอารม์เบือพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไปในใจสบายบา่บางครั้งมันนึกจะดาพระพุทธเจ้าเสียเามีอยากจะคิดทำลายพระวินัยในเสิยเามีถ้ารมอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกำลังจะตักิเลสละเอียด เม่ถ้าจิตมันยังติดกิเลสละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสสมานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตวันที่มีอารมณ์ขี้นั้นมันมป็นกิเลสสมานมันก็จะมีความมัวไปในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่มใสขึ้นเราก็มานั่งปรองใจว่านี่เราจะใายกิเลสสมานจะได้ ย, ยังไง เราสายกต้นขึ้นจากน้ําเราเป็นพรามันก็มีผวมมาเหมือนกัน้ําไม้สดที่แช่อยู่ในน้ําด้วยที่แช่ในเปลือกต้มด้วยคือดีเล็เวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจะเปลือกต้มแล้วก็น้ําเอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาที่จะแห้งไปทีละน้อยๆเท่านั้น อันนี้เราต้องมาตัดสินใจว่ากิเลสกิเลสทีมันมีสำหรับเราแล้วก็มีสำหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสานุสมมเนินเป็นตัวอย่างสานุสสมเนินที่มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระเจ้าก็อยากจะสิทิสมัยกันในดีสุดมันดาของท่านที่เป็นนางคว้าในดิดมันดาในดีดก็มาเปียน เกิดวความรู้สึกเท่ากับใจเส้นใหม่แย่ขึนเี่ว่อความต้องการในการมาทัรทันก็ดีใน้โลภความโลภคนดีได้ความโัวคนดีได้ความหลงคนดีมันเป็นของเลวไม่ดีสำหรับเร า, เราะฉะนั้นบางดาของเรามาเตือนซึ่งเป็นที่ว่าดาท่ายยกย่กอยงสงเสริมในการบวดไปของดี เราก็จะขอพุทธปฏิบัติในระมิจันท์ต่อไปโดยไม่มีความอะไรในทุกเสียงทุกออย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายเขาตัวคนเองคนดีว่าตัท่าคนดีไม่เกี่ยงศาสนาะแม้แต่ร่างกายตัวเองคนดีก็ไม่ต้องการในที่สุดให้เขาเป็นน า, ารยยายณ์ในช่วงของอายุเจ็ดปีเท น, นั้นเพราะว่าไม่กี่วันให้เขาเป็นนารายณ์ นี่ขอบรดาท่างหลายที่มือเอินมีกำลังใจสูงและก็สูกิเลสเะเ่อดีลบ้นจนทราบว่านั่นเร า, ากำลังจะตัดกิเลสตัวละเอียดแต่ว่ากิเลส ม, มนันไมเข้ามาสิงใจเราทาให้เราเกิดความอขอยอย่างสารุกสมเรนอยากจะสิกแต่ในสุดไม่สิกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตาย เราเป็นพระเป็นเนรเราโคตตายเราเป็นฆราวาสเราโคตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเนรในผู้ทรงสติทรงสมาธิทรงปัญนาญายเราอย่างน้อยเราเป็นเจ้าได้ก็ได้เป็นคงคนได้โดยไม่ใชด้ก็ไปนิพพาน ที่ขบันดาท่านหลายที่อาจจะพบกําำลังใจแบบนี้ก็บางอย่างคุณอรุณทายสรยิที่จะมาบทวนที่เก้านี้ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเหมือนกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเ็าบอกก็ต้องต่อสู้เลยตัวเองพวกคุณก็รู้สึกว่ามีกำไรตอนนี้ไปก็ขอพูดกันพูดกวกไป ว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดไว้ให้กำลังใจมันลารมแจ่มใสเป็นปกติอยู่เสมอยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีทั้งหมายมันอาจจะตายที่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ การตายถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายที่พันหถ้ามันจะตายก็เช่นว่าการตายของเราเราจะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะคอยยึดคุณความพระผู้เดชยาวคุณคว่ามธรรมคุณขอากรลยสโสมไปชนะเป็นที่ส ตามนี้เราพูดว่าพุทธังเทนงกะชามิธรรมเทนะกะชามิสังฆังเทนะกะชามิทวายเจ้าขอทิ้งก็พุทธเจ้าเป็นที่งทิ้งทวายเจ้าขอทิ้งก็ทำเป็นทิ้งทิ้วายเจ้าขอทิ้งก็สงเป็นทิ้งนี่เรียกว่าเป็นพูดทิ้งสัลณาคมเมื่อทิ้งสัลณาคมแล้วย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้เหมือนกับ ไม่ได้คุณลีที่าหมไม่ได้ทำความดีอะไรเลยจึงแค่นึกถึงความดีของพระเจ้าพอทำไบบสงฆ์พระนรกก็ไปสวรรค์ได้ไไแต่ยังดีไม่พอถ้าจะดีพอต้องจับอบัยวะปูนซะเลยไม่ยอมลงนรกรเป็นเศษตวัวกระายเป็นเศเศษชานนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน อรมของวโสดาบัญก็กล้าฟรีนิส เ, เราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระนูสิขามดเสกต้วนนนวะวปวาตยาสัตวบวุิหรือว่าฟังมิในทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปปฏิบัติเรื่อาการมีสองทรงกำลังใจไว้เพียงแค่ประไม่ชานเป็นอย่างตัาง คำว่าพระุชายก็คือมีมมทรงตัวอยู่ในได้ของกุศลนอจาจะนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักนิพพานเป็นอารมณ์แค่นี้เระโสดาบันจำกันไว้ดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นปโสดาบันให้ได้ เรอโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอบายภูคือจ ะ, อ ร, อจ ร, ะรับเนี่ยพราะพระเจ้าเพราะทำดากาเรยสงจะมีศีลบริสุทธิ์จะมีพุนิทานเป็นอารมณ์คําว่ามีพุนิพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทําเพื่อพุนิทานอันนี้เป็นปัจจัยของเรอโซดาไป จะว่าเป็นดีลาของมรโสดามันความจริงอารมใจของทุกคนถ้าตั้งอยู่ระดับเป็นแค่ปรโสดามันความมุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะเรนหนึ่งอีกคิดว่าเราจะต้องตายไปกดธรรมดาสองถ้าจะตายเรจะยึดคุณพระพุทธเจ้าเพื่อทำต้าเรียสงยึดศีลเป็นส่ธะสิ่ง มีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วจิตก็วางโลกกระทำแบบในการเสียไม่เมาในลาบไม่เสียใจเมืันลาบเปนหลายไปไม่เมาในยศในเสียใจมายศสลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์หุ่นใจมันกทุกข์ไมเกิดขึ้น ไม่หวังไว้ในคำนิพคาและก็ไม่ยินดีในการเผยแผ่เรื่องความว่าอะไรจะมาทางเหนือทางใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพรสัมมาสัพุทธเจ้าเรื่อพธิเจ้าตอนที่บำเพ็นบารมีบรรลุผลแปงแกล้งจากวิจิตรทัพในอนเดียน า, น า, นารวการ มีชาติหนึ่งที่ท่านสีขันติบา ร, รมีคันติบา ร, รมีนี่เราความ อ, อดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชาไิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีใครคนไหนถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีก็บอกว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทนแกก็ให้จับฤาษีนอนลง ตัดขา้าซ้ายข้างหนขาดไปถามว่าโกรธไหมอัเดอสีก็บอกไม่โกรธตัดขาข้างข้างข้างขาซ้าข้างขาข้าไ่ขาดไปถามว่าโกรธไหมัเดสีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถาม่โกรธไหมไม่โกรตัดแขนขวาถามโกรธไหมไม่โกรตตนที่สุด เนือสีคนความปวดไม่ไหวก็ตายนี่เป็นเวลาระพุดธเจ้าตอนมาเป็นบารมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่ไปที่ไหนสูกดาที่นั่นไปถูกไหนถูกว่าที่นั่นถูกใจกล้ ง, งที่นั่นพระพุทธเจ้าก็สง่งเฉยอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ถีว่าไอเราเนี่ยถ้าบังเอิญเป็นเพรก็ก็ทั่งการมณ์ที่ไม่ถูกใจเรา เราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรดาของการมีกันห้าคือร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหน่าตามคนเอื่ก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีก็าช่างเขาเถอะเขอยากจะด่าเขาด่าเขอยากจะวาสเขาวาดเอยากจะนิทานเขาหนิทานเขาอยเขาทําใจเป็นสุดคิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราส่งความเป็นตัวโสดาบัน ใครจะว่ายัางไงยังไงเราก็เป็นพระโสดาบันพระโสดามันไป็นยังไงหนึ่งเราไม่ลืงความตายไอ้คนย็นด่าเราคนด่าไม่นานแล้วธรรมชาติเราตายเราก็้มาได้ยินพระนี้สุดเราก็จะมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตื่นเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานชนะดุ์ภูมิใจในความดีในความเป็นพระอรเจ้าของเรา ไอจิตมันมีความเป็นสกกจิตมีอารมณ์ชุมชืเนย่าลืมว่าถ้าจิตเขาถึงความเป็นสารียเจา้าการทิศตัวทิศชนหรืเราทิศเขาไม่มีเว้นไม่ไดว่าถ้าเขาชั่วเราไม่ช่วตามเท่านั้นนี่เป็นลมใจนะก็คิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเป็นคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอนิแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับบรรดาท่านคนบริษัทใหม่ด้วว่าใหม่พระเจ้าของนนะขตําบลขอเตือนอีกครั้งนะว่าอยากปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอืาาน่นเข้ า, าไปมีเาไปเนเกือบหมื่นคนแล้วนะเพียงแค่ชั่วเดือนธันวาคมเนนะี่ยเจ้าของตําบล น, นะอย่าอยากอย่าเรียกว่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าทําให้ จต่อย่าเสียทีเขารับสายแรงใจส บ, สบายๆพิธีปฏิบัติทำยังไงพยายามฝึกใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวนนมะพะทะเวลาให้ใจเข้านิวรนะมะเวลาให้ใจออกเรียกว่าพาทะอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ควรจะทำ และเวลาที่ภาวนะทาทำใจสวสายบางครั้งแต่หากว่าท่านหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ถ้าจะไปเร็วก็รวบรวมกำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตระหนัใจเขาออกจิตจัก จ, กจดแล้วพุ่งเราไปสู่นิพพานสำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่ พยาเามนึกทัง้งลมทั่งใจเขาออกกนะับคำภาวนาเนี่ยเพราะว่ายาถ้าทำสมาธิเนี่ยจําไม่ดีและเราการตั้งใจเท่านั้นเองอย่าเป็นนึกว่าสมาธิทําเป็นแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใยานไอ้ไมไ่ยินไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานเสียละเอียด ว่าการฝึกมโนยิธิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดตัวการฝึกแบบพิเศษดังนั้นข อ, อทุกท่านตั้งใจภาวนาวานาาาันมะปทะเวลาให้ใจเข้านกวรณะมะเวลาให้ใจออกนิวรปะะในวาาาะเวลาที่กําหนดรู้เราไม่ใจทําใจสบายๆอ ย, ย่าให้มนหนักหน่วงเกินไป กาหนดรู้โลาไม่ใจเขาออกพระอม่นคําาวนาแบบเป็นสุขเพรว่าอย่อากดเราได้เครีคยด แ, แ, แต่เครียดถ้าเกนเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอกาศที่มันานิยมให้เวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโ่นนึนกอยากจะเห็นนี่นึกอยากจะไปโน่นนอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นการม่สุขะนิการนิยคต้องไม่ใช่มัดจิมมาวฏิบัติ คือทําแบบส บ, สบายรู้ลมเข้ารู้ลมออกทันจิตทันสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนํตาตอนนั้นขวรรดาจึงพุทธบริสัททุกขันให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรล้ ล, ลมไม่ใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมไม่ใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยทางอารมณ์สบาย ฟังเสียงครูผู้สอนนะนำถ้าคำว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมให้ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเลยสิ้นทันไอ้คําว่าเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคําว่ามโนโยทิทธิ์นี่ยแปลว่ามีทิศทางใจที่เราไม่ได้ใช้ตาดูเราใช้จิตรู้ที่ว่าเขาถามไม่เห็นพระพุทธเจ้าไหมอารมณ์จิตมันบ้าเห็นก็ตอบมาเห็น ที่เราถามว่าเห็รยาวสีอะไรเห็นครเสีอะไรความรู้สึกมันบอกว่ายังไงตอบทันทีคนข้างางเราไม่เลืองเหลืองแต่คนเราขาวก็กับบอกขาว่ยกเลืองต่างขาเพราะว่าเรื่องต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิป ย, ยานมีรมสัมผัส พอคือให้ตัดกันห้าเนื่องจเรามีผู้ได้เจ้าช่วยจิตติดกําลังพุ่งจิตเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดียสถานตอนนี้ถ้าขึ้นจน ถ, ถึงจุลามณีก็ทราบ ว, ว, ว่าจิตตรงนี้เป็นจิตของฐานสี่และถ้าประกอบกับ ก, การตัดคำห้าในเด็ขาดจิตใจขั้นดาถึงพระธรรมสั พ, พจะมีความรู้สึกสัมผัสกับธาตุเดนแ่งใส ล้วต่อไปนี่ไปพัรดาเป็นพุทธบริสัทเป็นลายทั้งมิสุสมันเดนุมบาสุครบาศิกาตั้งกายให้ตรงดั้งจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมในใจเข้าได้ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปริญญาใสสำหรับผู้ใหม่เีเสียงกรี๊ดอย่าเพิ่งลืมตานะเป็นวาระที่โชูเขาแนะนำนะครับไปแนะนำท่านท่านเปฏิบัติได้